ช่วงนี้นะเป็นช่วงเทศกาลจะมีงานเรื่นเริงนะต่างๆมากมายเป็นระยะระย ะ, ะวันนี้ก็ถือเป็นวันคริสต์มาสนะเมื่อวานนี้ก็เฉลิมฉลองกันไปนะคนไทยเราก็ไม่ได้ไม่ได้นับถือาศาสนาคริสต์แต่ว่าก็ร่วมสนุกสนานเรื่องเดิกับเขาด้วยนะ มีการส่งคำอวยพรสุขสันต์วันคริสต์มาสนะไปทั่วนะอัตมายังได้รับเลยนะมีทั้งคลิปวิดีโ อ, อต่างๆอันนี้อีกไม่กี่วันก็วันสิ้นปีนะขึ้นปีใหม่หลายคนก็รอคอยนะความสนุกสนานรื่นเริงนะ ก็เรียกว่าทั้งอาทิตนะมันก็จะมีอะไรๆรให้รู้สึกจิตใจพองโตนะมีความสุขรื่นเริงยังไงก็ตามเราก็เดีย๋ยวเพิ่งไปจดจอนะอยู่กับเทศกาลนะงานปีใหม่ที่จะมาถึงถึงแม้จะอยู่ใกล้แค่ไหน ให้เราอยู่กับปัจจุบันนะหน้าที่การงานอะไรที่เรามีก็ควรจะทำมางคนใจก็เคลิ่มลอยนะนะวางแผนแล้วว่าสิ้นปีนี้จะไปไหนนะใจนี่ไม่เป็นการทำงานแล้วนะจิตแต่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะจะไปกินหรือแวะร้านอาหารที่ไหนดีนะในอ่ ช่วงที่ไปเที่ยวจะซื้ออะไรนะเป็นของฝากนะบางทีก็ใจลอยนะท่านังที่กำลังนั่งทำงานอยู่อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความหลงชนิดหนึ่งนะมันลืมตัวอะไรที่เรายัางหน้าที่อะไรที่เรามีก็ควรจะทำ งานการอะไรที่เราต้องรับผิดชอบก็ต้องใส่ใจอย่าปล่อยให้ความดีใจนะมันพาเราหลุดลอยจากปัจจุบันจนละเลยงานการที่เรามีหรือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนะไม่งั้นมันก็จะเสียหายนะงานการไม่ไม่เป็นอันธ ร, รมแล้วมันก็เหมือนกับคนจำนวนไม่น้อยเลยโดยเฉพาะใน ที่เป็นข้าราชการเนี่ยพอถึงวันศุกร์นี่ก็เริ่มไม่เป็นานทำงานแล้วนะยิ่งพอถึงพ อ, อถึงเวลาบ่ายนี่ใจไม่อยู่กับงานแล้วนะนะคิดแต่จะว่าจะเลิก ง, งานแล้วจะไปทำอะไรดีนะเพราะเป็นคืนเพราะเป็นวันศุกร์นะวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันเสาร์วันถัดไปเป็นวันอาทิตย์ก็คิดแต่ว่าจะไปเที่ยวนะคิดแต่จะเฉลมิมฉลองตั้งแต่ เย็นวันศุกร์แล้วไม่เป็นานทำงานบางคนนะบ่ายสองบ่ายสามก็ไปแล้วเลิกงานนี่ขนาดเป็นวันศุกร์ธรรมดานะแล้วก็ถ้าเป็นศุกร์หน้าเนี่ยนะวันที่สามสิบคนจะนะใจลอยนี่หรือว่าฟุ้งซ่านขนาดไหน แต่ว่าคนที่ฉลาดนี่เขาจะไม่ไปจดจ่ออยู่กับอนาคตนะเขาจะอยู่กับปัจจุบันเขาจะใส่ใจแลบผิดชอบกับงานที่เขาทำไม่ไว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานส่วนรวมก็ตามนะวันวันหยุดมันจะมาถึงเมื่อไหร่นะก็ถึงตอนนั้นก็ค่อยนะใช้ประโยชน์จากมันนะจะพักผ่อนจะเที่ยวแล้วก็แล้วแต่แต่ขณะที่เรายัง ไม่ถึงวันนั้นนะเรายังมีภารกิจที่ต้องทำมีงานที่ต้องใส่ใจก็ต้องทำซะอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นการปฏิบัติธรรมเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันแม้ไม่ปล่อยใจลอยไปอนาคตไม่ปล่อยใจเคลื่อนคล้อยไปกับการเที่ยวสนุกสนานเที่ยงมาไม่ถึงอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นเรียกประมาทนะซึ่งก็อาทําให้เกิดความเสียหายได้เมื่อคนที่เขา ถูกลอตเตอรี่นะรานะงวัลที่หนึ่งนได้เป็นสิบล้านดีใจนะไม่เปงา น, นทำงานเลยเรื่องงานก็ขับรถนะกลับบ้านใจลอยนะฝันฟุ้งปรุงแต่งว่าจะเอาเงินนับล้านนี่ไปทำอะไรจะไปเที่ยวที่ไหนจะซื้ออะไรบ้างซื้อรถนะใจลอยวาดวาดฝันเอาไว้ปรากฏว่ามองไม่เห็น คนที่กำลังข้ามถนนไปโชนเขาตายก็มีหรือว่าแหกโค้งนะเพราะว่าขับรถเพลินใจไม่อยู่กับปัจจุบันเนะี่ยไปอยู่กับความฝันก็ถึงตายได้นะก็เปน็นอันว่าเงินลอตเตอรี่ที่ถูกมาตัวเองไม่ได้ใช้คนอื่นได้ใช้นะอันนี้เรียกว่าทุกขลาภนะเพราะว่ามันทำให้ลืมตัว นันเราทำอะไรก็ตามนี่นะการอยู่กับปัจจุบันสำคัญมีนิทานเซนนะเรื่องหนึ่งนะเล่าว่าพระบวชใหม่นะก็บวชนี่ก็ศึกษามานิดนิดหน่อ ย, อยมีคำถามมากมายบวชมาได้ไม่กี่วันก็ถามหลวงพ่อวันเนี้ยมีเรื่องคับข้องใจ อยากจะไต่ถามหลวงพ่อสักหน่อยแล้วก็เริ่มตั้งคำถามเลยว่าไอ้คนเราเนี่ยนะจิตมันเป็นอมะตะหรือเปล่าลข้อที่หนึ่งนะสองร่างกายเนี่ยมันต้องเสื่อมสลายไปเสมอไปหรือไม่สามถ้าคนตายแล้วนี่จะต้องไปเกิดใหม่หรือเปล่า สี่ถ้าเกิดใหม่นี่เราจะจำอดิตชาติได้ไหมนะห้าไอ้ความทุกข์ของคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยนะมันมีทางจะหลุดพ้นไหมและคำข้อหกคำสอนครูบาอาจารย์หรือคำสอนพุทธศาสนาจะช่วยทำให้หลุดพ้นได้ยังไงก็ถามมาเป็นข้อข้อพลั่งพรูงมาจนกระทั่งสุดท้าย หลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยข้าวในะที่อยู่ข้างหน้าเธอนี่มันเย็นแล้วนะจบ น, ะนิทานลุงนี้สอนว่าอะไรนะรู้ไหมเขาสอนว่าอะไรนิทานเสนไมเหมือนนิทานอีศบนิทานศบนี่จะสรุปนะว่านิทานลุงนี้สอนว่าอะไรนะแต่นิทานเสซนเขาไม่สรุปแต่ถ้าเรานะพิจารณาดูนะก็จะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ต้องการบอก พระบวชหมายคือว่าให้มาอยู่กับปัจจุบันซะตอนนี้กําลังกินข้าวเนี่ยข้าวอยู่ข้างหน้าแล้วสใวรรสนะใวววว่ใจข้าวที่อยู่ข้างหน้าอย่าไปนึกถึงคิดถึงเรื่องโน้เรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องปรัชญาขั้นสูงนะมันก็ไม่ใช่เวลาเวลานี่คือเวลากินข้าวใจก็อยู่กับการกินข้าวใส่ใจข้าวที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่คิดถึงเรื่องของการพ้นทุกข์แต่ว่าคิดไปคิดไปเรื่อยๆก็มีประโยชน์นะแต่ว่า มันผิดเวลานะเวลาตอนนี้คือเวลาที่จะต้องอยู่กับปัจจุบันจริงๆอยู่กับปัจจุบันเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกเวลานะข้าวอยู่ข้างหน้าก็ต้องใส่ใจนะไม่ใช่ปล่อยใจลอยจนลืมข้าวที่มันกาลังจะเย็นไปแล้วปฏิบัติธรรมนะก็คือ น, นี้แหละก็คือใส่ใจข้าวที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วกินอย่างมีสตินะ อย่าว่าแต่สนใจไต่ถามอยากจะใคร่รู้เรื่องว่าตายแล้วไปไหนเลยแม้กระทั่งว่าเ อ, อปีใหม่นี้จะไปไหนนี้ก็วางเอาไว้ก่อนนะให้อยู่กับปัจจุบันเรานี่ไม่สัสกวันจะกินข้าวนะก็ให้ใจระโยกากรกินข้าวนะไม่ต้องคิดเรื่องอะไรให้มันไกลาจากปัจจุบันออกไปอ่แล้วก็เตรียมรับพร อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทาผนที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล่เคปามเววะสมิชาโตจองสำเร็จโดยฉาพรานสาเพปูเรนตุสังกับปาฮอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนณรโสยทาเหมือนพระจันนในวันเพนมณีโชติระโสยทาเหมือนแกวมณีอันสว่างสวัยหวนยินดี สาภีติโยพิวชันตูวานชาัรทั้งกวง n จงบำราดไปสาภโรโควินสัสตูโรทั้งกวงของท่านจงหายมาเตพอ ว, วันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาพิวัธนาสีลิสันิจงางุฏาปจายโน คาตาโรธรรมาวาทันทิอายุวันโนสุขังภลังตามสี่ภากานืออายุวันนสุขาภลัย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพภาวะตูสาพมังคลังพอสาพมงขนจงมีแก่ท่านราคันตูสาพระเทวตา ขอลาเทวดาทั้งผวงจองรักษาท่านสัพพาผูทานุภาเวนาโวยอนุภาแห่งพระพุ้ตเจ้าสัพาธรรมานุภาเวนาโวยอนุภาแห่งพระธรรมสัพาสังฆานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระสองสาธาโสธิภวันโตเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดูงเมือ่อ